วันนี้เป็นวันพระรหัสเสบดีที่หกมีนาคมพุทธศักราชสอง8ันห้าหกสิบปดเป็นวันพระวันธรรมสวรนระวันฟังธรรมวันปฏิบัติธรรมทำไมเราจึงต้องมีวันพระกัน เพราะว่าถ้าเราไม่มีวันพระเราก็จะไม่มีเวลามาให้กับการศึกษาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเราจะมัวเอาเวลาของเราไปให้กับการหาราบยศชรเสริญสุขกัน พระพุทธเจ้าจึงต้องบัญญัติวันพระขึ้นมาให้สาธุชนพุทธบริษัทได้หยุดการทรมาหากินหาลาภยศรเสรสนุขหนึ่งวันเพื่อที่จะได้เอาเวลามาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ เป็นสิ่งที่วิเศษที่ประเสริฐที่จะช่วยทำให้จิตใจของผู้ศึกษาของผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจต่างๆไม่ให้ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆ ถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบในสังสารวัฏก็จะไม่มีการสิ้นสุดจะมีการเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะต้องเจอกับความทุกข์ ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายไปเรื่อยๆจึงจำเป็นที่จะต้องมีเวลาให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติในสมัยโบราณวันพระจึงเป็นจะตรงกับวันหยุดทำงานกันแต่ในยุค ป, ปัจจุบันวันพระกับ วันหยุดทำงานของสาธุชนพุทธบริษัทนี้มักจะไม่ตรงกันเช่นวันนี้ตรงกับวันพระรหัสส ป, ปดีที่คนส่วนใหญ่จำเป็นที่จะต้องไปทำงานทำการกัน mm hmm. ก็เลยไม่มีเวลาให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติธรรมได้ แต่สามารถที่จะปรับวันได้ถ้าวันนี้เป็นวันทำงานของสัตธาญาณโยมบางท่านสัตธาญาณโยมก็ต้องย้ายวันพระไปให้ตรงกับวันหยุดทำงานของสัตธาญาณโยมถ้าหยุดทำงานวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็ให้ถือวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นั้น เป็นวันพระเป็นวันศึกษาวันปฏิบัติธรรมเป็นวันที่จะพักการหาราบยศเสริญสุขกันเพื่อที่จะได้เอาเวลามาให้กับการหาธรรมะหาความสุขทางด้านจิตใจถ้าไม่ปรับ เวลาที่จะให้กับการศึกษากับการปฏิบัติก็จะมีน้อยมากเช่นกว่าจะวันพระกว่าจะมาตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี้ก็ต้องใช้เวลาหลายวันด้วยกันหลายรอบด้วยกันเพราะวันพระนี้จะเคลื่อนไปเรื่อยๆคราวนี้ตรงกับวันพระรหัสสัปดดีคราวหน้าก็ตรงกับวันสุข แล้วก็ค่อยตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็เคลื่อนไปเรื่อยๆฉนั้นถ้าเรารอให้วันพระมาตรงกับวันหยุดทำงานของเราเราจะมีวันพระไม่มากไม่มากพอไม่มากพอที่จะสร้างธรรมะปฏิบัติธรรมให้เกิดขึ้นมาภายในใจของเราได้อย่างน้อยเราควรจะมีวันพระ อาทิตย์ละหนึ่งครั้งตามปฏิทินเดิมก็จะเป็นอย่างนั้นอาทิตย์หนึ่งก็จะมีวันพระหนึ่งครั้งเพียงแต่ว่าวันพระไม่ตรงกันกับวันเสาร์วันอาทิตย์ทุกครั้งไปมีการเคลื่อนเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะว่าใช้ปฏิทินทางจันทรคติ สมัยโบราณเขาไม่ได้ใช้ปฏิทินที่เราใช้กันในปัจจุบันเขาจะใช้ปฏิทินตามการโคโจรของดวงจันทร์เวลาพระจันทร์เต็มดวงเขาก็เริ่มนับเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำแล้วก็พอพระจันทร์พระจันทร์ดับก็เรียกวันแรมสิบห้าค่ำและระหว่าง วันขึ้นกับวันแรมสิบห้าค่ำก็แบ่งเป็นแปดค่ำเจ็ดค่ำแล้วแบ่งเป็นแปดค่ำมีแรมแปดค่ำมีขึ้นแปดค่ำนี่คือวิธีการวัดนับวันหยุดในสมัยโบราณซึ่งทางาศาสนาก็ยังยึดถือในแบบฉบับเดิมอยู่ก็เลยทำให้ เกิดการไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของชีวิตของศรัทธาญาติอยู่ที่ในยุคนี้ในสมัยนี้ได้ใช้ปฏิทินทางสุริยคติได้ใช้วันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันหยุดทำงานดังนั้นถ้า ทาญาโยมอยากจะมีวันพระอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งตามแบบเดิมศัทธาญาโยมก็ต้องปรับวันพระให้ไปตรงกับวันหยุดทํางานของศัทธาญาติโยมถ้าญาติโยมหยุดทํางานวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็ให้ใช้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์นั้นให้เป็นวันพระ คือจะเป็นวันที่ไม่ต้องไปทำงานอยู่แล้วแล้วก็อย่าไปหาความสุขทางราบยศสลดเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะชนิดต่างๆให้ไปหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าความสุขทางธรรมหรือความสุขทางด้านจิตใจความสุขนี้มันมีสองรูปแบบความสุขทางโลก โล ก, กธรรมคือความสุขจากการได้ราบยศจารเสนจากการได้รูปเสียงกลิ่นรสผทพระมาเสรนี้เป็นความสุขแบบชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนเป็นความสุขที่ไม่คับไม่ติดอยู่ในใจเป็นความสุขแบบควันไฟเวลาได้อะไรมาได้ราบยศจารเสญสุขมา ก็มีความสุขไปช่วยระยะสั้นๆแล้วความสุขนั้นก็จะจางหายไปแล้วก็จะเกิดความอยากได้ความสุขเพิ่มขึ้นมาอีกพอเกิดความอยากขึ้นมาความสุขที่มีอยู่ในใจที่ได้จากลาบยศสาระเสริญสุขนั้นก็หายไปแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมา แทนที่เพราะความอยากนี้เป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์ทางใจพอเกิดความทุกข์ก็เลยต้องไปหาราบยศสนเสริญสุขมาเติมอยู่เรื่อยๆเติมเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะทำให้ความอยากได้เพิ่มขึ้นนี้หายไปหรือหมดไปเพราะธรรมชาติของความอยากนี้ มันมีแต่ขยายเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่ลดน้อยถอยลงมาความอยากนี้มันจะเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆเช่นตอนต้นเราได้เราอยากจะได้อะไรอยากจะได้เงินสักร้อยหนึ่งพอได้ร้อยหนึ่งแล้วดีใจเดียวเดียว แล้วก็เอาเงินไปใช้ซื้อความสุขต่างๆพอเงินหมดก็อยากจะได้เพิ่มนะอยากจะได้เพิ่มเป็นสองร้อยสามร้อยพอได้มาเท่าไหร่ก็จะไม่มีความอิ่มความพอก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เกิดความอยากความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆ ก็กลายเป็นหายไปหมดสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความอยากเพ <c oughs> <c oughs> ราะว่าสิ่งที่ความอยากต้องการคือราบยศสรรเสริญสุขนี้มันไม่ให้ความอิ่มความพอกับใจมันให้แต่ความสุขชั่วประดิยวประดาวแต่ไม่ให้ความอิ่มความพอพอความสุขที่ได้มาจางหายไปก็เกิดความอยาก ขึ้นมาใหม่เพราะเกิดความอยากความอยากนี้ก็เป็นตัวที่จะสร้างความไม่สบายอกไม่สบายใจขึ้นมาสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาก็เลยต้องระงับความกวนกวายความไม่สุขไม่สบายใจจากความอยากด้วยการไปทำความอยากพอตามตามความอยากได้สิ่งที่อยากได้มาความอยากนั้นก็ ระงับตัวไปชั่วคราวพอสิ่งที่ได้มาหมดไปความสุขได้มาหายไปความอยากใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนี่คือโทษของการไปหาความสุขทางโลกกะระรมคือการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกิน่นรสปวทตพระชนิดต่างๆ มันจะไม่ให้ความอิ่มความพอมัมนจะไม่ได้กําจัดความอยากที่เป็นตัวสร้างความไม่ไม่สบายให้กับใจนี้สร้างความทุกข์ให้กับใจนี้หมดสิ้นไปแต่มันกลับเป็นตัวที่จะสร้างความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจ mm. ึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ใจนี้ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆ เพราร่างกายที่เป็นเครื่องมือในการหาโลกกะระทำหาความสุขจากโลกกะระทำจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันก็เป็นร่างกายที่ไม่ยั่งยืนถาวรมันเป็นร่างกายที่เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไปความอยากที่ต้องการได้ความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรส จำเป็นต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือแล้วถ้าร่างกายสิ้นสุดลงเมื่อไรใจผู้ที่มีความอยากนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแล้วความอยากที่มีอยู่ในใจก็ไม่ได้หายไปจากใจความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ผักดันให้ใจมาหาร่างกายอันใหม่มามีร่างกายอันใหม่ มาเกิดใหม่เช่นร่างกายของเราตอนนี้ต่อไปมันก็จะต้องค่อยเสื่อมลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ต้องแก่แล้วเดี๋ยวก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายไปพอตายไปใจที่อาศัยร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายคือธรรมชาติของใจนี้ไม่มีวันตาย ไม่เหมือนกับธรรมชาติของร่างกายที่อยู่ภายใต้กฎตายรักฎกฎอนิจจังทุกขงังอนัตตาแต่ใจนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขงังอนัตตาใจนี้เป็นใจที่ไม่มีวันตายแต่มีความอยากที่ไม่มีวันหายถ้าไม่ได้รับการกําจัดก็จะเป็นเหตุที่จะพาให้ใจนี้ ต้องไปหาร่างกายอันใหม่มาเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากราบยศเสริญนสุขไปเรื่อยๆการเวียนว่ายตายเกิดการหาความสุขผ่านทางร่างกายนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าใจของพวกเรานี้หากันมาเป็นเวลาอันยาวนาน ใช้ร่างกายเป็นจนํานวนที่นั บ, น, บนับไม่นับไม่ท่วนว่ามีมากมีน้อยเพียงไรร่างกายที่เราเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆนี่พองทรงเปรียบเทียมให้ให้เห็นว่ามันมีจํานวนมากด้วยการให้เอาน้ําตาที่เราได้จากการมาเกิดแต่ละครั้งทุกครั้งที่เรามาเกิดมามีมีมามีร่างกายนี้ เราก็จะมีทั้งเจอทั้งความสุขแล้วก็เจอทั้งความทุกข์เวลาที่เราเจอกับความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจต่างๆเราก็มักจะหลั่งน้ำตากันร้องไห้กันน้าตาที่เราหลั่งในแต่ละครั้งที่เรามาได้ร่างกายนี้ถ้าเราเอามารวบรวมกันแล้วของแต่ละร่างกายของแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ย ท่านพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามันน้าตาของพวกเรานี้มีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรคิ่ดูกันแล้วกันว่าน้ำในมหาสมุทรนี้มันมีปริมาณมากน้อยเพียงไรแล้วการที่เราจะหลั่งน้ำตาให้มีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนี้เราต้องมาเศร้าโศกเสียใจกันกี่กีกครั้งด้วยกัน กับร่างกายกี่ร่างกายด้วยกันนั่นแหละคือปริมาณของความทุกข์ของพวกเราที่ยังมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆตราบใดถ้าเราไม่สามถ้าเราไม่หยุดความอยากในการหาความสุขผ่านทางร่างกายให้ได้แล้วเราก็จะ โดยลำพังความสามารถของตัวเราเองนี้เราจะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้ได้ได้ด้วยตนเองเลยเราไม่รู้ว่าเรามาเกิดได้อย่างไรเรามามีร่างกายทาไมเรามาหาความสุขจากราบยศสารเสญสุขทำไมหาแล้วเราได้อะไรจากการหาราบยศสารเสญสุขเราเพียงแต่เห็นแต่ความสุขที่เราได้ ช่อขณะที่เราได้มาเท่านั้นเองแต่เราองไม่เห็นเรื่องราวอย่างอื่นที่เกี่ยวกับราบยศสรรเสริญสักว่ามันเป็นเหมือนกับเหยื่อที่ล่อล่อปลา <c oughs> เวลาคนไปตกปลานี่ย <c oughs> เขาจะมีเหยื่อติดอยู่ที่ปลายเบ็ด <c oughs> แล้วก็ให้ล่อให้ปลามาฮุบเหยื่อที่ปลายเบ็ด พอปลาไปฮุบเหยื่อเข้าก็จะถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากแล้วคนที่ตกปลาก็สามารถที่จะนึ่งปลานั้นขึ้นจากน้ําเอาไปทําเป็นอาหารได้ใจที่มาติดกับเหยื่อของราบยศสารเสริญสุขก็เป็นอย่างนั้นก็จะติดอยู่กับการหาราบยศสารเสริญสุขเรื่อย แล้วก็พอมาพุบเหยื่อราบยศสารเสินสุขก็จะเจอกับตะขอเบ็ดคือความทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายไปเรื่อยเราถ้าเราไม่ได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาได้ยินได้ฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เราจะไม่มีความรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้เลยต่อให้เราไปศึกษา ในมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของโลกเขาก็ไม่มีวิชาที่จะมาสอนให้เรารู้เรื่องเกี่ยวกับปัญหาของพวกเราคือความทุกข์ใจของพวกเราที่เกิดจากการไปติดอยู่กับการหาความสุขจากลาบยศสนรสนจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพัทธเมื่อเราไม่เห็นปัญหาเราไม่รู้ว่าปัญหาของเราเป็นอย่างไร เราก็ไม่รู้จักวิธีแก้เราก็จะดำเนินวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าปัญหาที่เกิดจากความอยากความอยากได้ลามยศสะลรเสรินได้รูปเสียงกลิ่นลดมาให้ความสุขกับเราเราก็เลยขวนขวายกันถ้าไม่มีวันพักเราก็จะหาทุกวันไป หาลาภยศสารเสริญ ส, สุขมาให้ความสุขกับใจไปเรื่อยๆเราเห็นแต่ความสุขที่เราได้จากาลาภยศสารเสริญแต่เราไม่เห็นความทุกข์ที่มันซ่อนอยู่มันไม่เห็นความทุกข์ตอนที่เราขาดาลาภยศสารเสริญจากขาดรูปเสียงกลิ่นรสว่าเวลาที่เราไม่ได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสไม่ได้เสิราสลาภยศสารเสริญ ส, สุขนี้ มันสร้างความทุกข์ทรมานใจให้กับเรามากน้อยเพียงลยและมันเป็นตัวที่คอยถักดันให้ใจของเราที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายนี้ต้องไปหาร่างกายอันใหม่มาใช้เป็นเครื่องมืออยู่เรื่อยๆอยเรื่องราวเหล่านี้เราไม่รู้กันและจะไม่มีวันรู้ได้ด้วยตนเองถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระทำคำสอนของพระพุทธเจ้า จะพบจากพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ดีหรือพบจากพระไตรปิฎกที่เป็นที่บรรจุพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือพบจากพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีเราก็จะไม่รู้โทษของการมาเสพราบยศสรรเสริญสุขกันเลยแทนที่จะเห็นว่ามันเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยเป็นเหมือนยาเสพติด เรากลับไปคิดว่ามันเป็นอาหารอันโอชะเราจึงทุ่มเทเวลาและจิตใจของเราทั้งชีวิตนี้ให้กับการหาราบยศสารเสริญสุขกันแล้วก็ได้มาแล้วก็พยายามที่จะรักษาไว้ให้มันไม่ให้มันหดไม่ให้มันหมดให้หามาเติมอยู่เรื่อยๆ แล้วก็อยากจะให้มันมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่ายิ่งมีมากเท่าไหร่ยิ่งมาสร้างความทุกข์ให้กับใจเพิ่มมากขึ้นไปเท่านั้นนี่แหละคือเรื่องของความหลงของใจของสัตว์โลกอย่างพวกเราทุกคนหลงอยู่ ก, กับการหาความทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวที่ว่าสิ่งที่เราหานี้เป็นความสุขกันเหมือนกับคนที่ หลงไปกับการหายาเสพติดมาเสพคนที่เสพยาเสพติดนี้เขาหลงคิดว่ายาเสพติดนี้เป็นความสุขเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับเขาแต่เขาไม่เห็นว่าการไปติดยาเสพติดนี้เป็นการมาสร้างความทุกข์ให้กับเขาโดยไม่รู้สึกตัวเพราะเมื่อเขาติดยาเสพติดแล้ว เขาก็จะต้องมียาเสพติดไว้เสพอยู่เรื่อยๆเวลาใดที่ขาดยาเสพติดเวลานั้นใจของเขาก็จะต้องทุกข์ทรมานขึ้นมาอันนี้เขามาองไม่เห็นเลยเห็นแต่ด้า น, านความสุขของยาเสพติดเวลามียาเสพติดเวลาได้เสพยาเสพติดแล้วรู้สึกขึ้นสวรรค์ รู้สึกเบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจแต่เป็นความรู้สึกเพียงชั่วคราวไม่นานพอฤทธิ์ของยาเสพติดหมดไปความอยากที่จะเสพยาเสพติดเพิ่มขึ้นก็โผล่ขึ้นมาความอยากที่อยากจะเสพนี่แหละเป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์ทรมารให้กับใจที่ต้องคอยบีบคั้นให้ใจไปหายาเสพติด มาเสพอยู่เรื่อยๆเวลาดอยากแล้วไม่ได้เสพนั้นเวลานั้นก็จะเหมือนกับตกนรกแทนที่จะขึ้นสวรรค์กลายเป็นตกนรกไปเวลาอยากจะเสพยางเสพติดแล้วไม่สามารถเสพมันได้ใจก็จะทุกข์ทรมานเหมือนกับตกนรกอย่างเมื่อคืนนี้ก็มีศรัทธาท่านหนึ่งก็พูดถึงเรื่องการเสพรูปเสียงกลิ่นรสว่าเป็นเหมือนกับ ยาเสพติดเวลาไม่ได้เสพนี่เหมือนกับจะตกนรกเช่นเวลาที่มาฝึกรักษาสินแปด <S <S การรักษาศินแปดก็คือการห้ามใจหรือการพักใจไม่ให้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นลดชั่วคราวแต่ความอยากนี้มันไม่ได้ทำตามความตั้งใจของเราที่เราจะรักษาระงับความ การเสพยาเสพติดความอยากเวลามันโผล่ขึ้นมาเนี่แล้วเราไม่สามารถที่จะเสพมันได้เพราะเราสมาทานศีลแปดไว้มันก็รู้สึกเหมือนกับจะตกนรกเวลาเกิดความอยากขึ้นมาอยากจะเสพดูปเสียงกิเลแล้วไม่ได้เสพมันทุกทรมานใจเป็นอย่างยิ่งแต่ถ้า เราสามารถที่จะสู้กับมันได้สู้กับความอยากนี้ได้ไม่ช้าก็เร็วความอยากนี้มันก็จะอ่อนกำลังลงและอาจจะหายไปได้พอมันหายไปแล้วนี่เราก็จะไม่ติดแล้วเราเคยติดยาเสพติดถ้าเราฝืนความอยากที่จะไปเสพยาเสพติดได้พอความอยากที่จะเสพยาเสพติดหมดไป ยาเสพติดนั้นก็จะไม่เป็นปัญหากับเราอีกต่อไปจะมียาเสพติดให้เสพหรือไม่ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะตัวที่เป็นปัญหาก็คือตัวความอยากที่จะเสพยาเสพติดนี้เท่านั้นเองที่มันจะหายไปได้ด้วยการที่เราฝืนมันไม่ทำตามมันแต่ถ้าจะฝืนมันโดยที่เราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาสนับสนุน เรามักจะฝืนมันไม่ได้เราจะสู้มันไม่ไหวเพราะความทุกข์ที่บันซ่างขึ้นมาให้กับใจของเรานี้มันแสนสาหัสแสนทรมานเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นพระพุทธเจ้าจึงค้นพบเครื่องมือในการที่จะเอามาใช้ต่อสู้กับความอยากถ้าเราอยากจะเลิกเสพโลกาธรรม ท, ทั้งสี่ ราบยศยสารเสริญและความสุขจากรูปเสียงกิก่นรถผลพระนี้พระพุทธเจ้าสรงคนพบเครื่องมือที่จะมาช่วยใช้ในการต่อสู้กับตัวที่ทำให้ใจไปติดกับโกกลกธระทคือราบยศยสารเสริญและรูปเสียงกิ่นรถผพพระเครื่องมือที่พระเจ้าได้ทรงคนพบก็คือ การห้ามใจไม่ให้กระทาตามความอยากผ่านทางร่างกายก็คือให้สมาทานศีลแปดแล้วก็อันนี้ก็เป็นการห้ามถึงอยากจะเสพ ร, รูปเสียงกินรสก็หักห้ามจิตใจเช่นท้าวันนี้ศรัทธาญาติโยมมาสมาทานศีลแปดสมมติ พอถือสินแปะแล้วรู้แล้วว่าเราเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดไม่ได้แนละ้วอยากจะรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันก็ไม่ได้แนละ้วอยากจะดูหนังฟังเพลงก็ไม่ไดนะ้อยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนก็ไม่ไดนะ้อยากจะแต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยให้งามให้ดูแล้วมีความสุขก็ไม่ได้นะอยากจะนอนบนที่นอนที่สบายก็ไม่ไดนะ้เพราะการกระทำเหล่านี้มันเป็นการเสพ สุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผลพระที่เป็นเหมือนยาเสพติดถ้าเราอยากจะเลิกเราก็ต้องกําหนดข้อบังคับขึ้นมาในใจเราถ้าเราไม่กําหนดนี้เราก็จะไม่มีกําลังพอที่จะหยุดมันได้แต่พอเรากําหนดขึ้นมาเราก็ต้องพึ่สู้แล้วว่า วันนี้จะไม่หาความสุขทางราบยศทางรูปศสียงกิ่นลดหนึ่งวันยอมทุกทรมานกับความอยากเวลาที่เกิดความอยากจะเสพแล้วไม่ได้เสกแต่อันนี้เป็นเพียงเครื่องมือชิ้นแรกพระพุทธเจ้ามีเครื่องมืออีกสองชิ้นคือการปฏิบัติสมาธิเพื่อหยุดความอยาก เราสามารถหยุดความอยากได้เวลาที่มันโผล่ขึ้นมา <c oughs> ถ้าเรามีสมาธิถ้าเรามีสติตัวที่มาคอยทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิขึ้นมาถ้าเวลาเกิดความอยากแล้วเรามีสติที่จะทำให้ใจนิ่งสงบเป็นสมาธิได้ว่าพอใจสงบความอยากนี้ก็จะหยุดไปทันที ไม่สามารถแสดงตัวสร้างความทุกข์สร้างความเครียดให้กับใจได้อันนี้เป็นมาตรการข้อที่สองในการใช้ในการต่อสู้กับความอยากที่พระเจ้าทรงสอนให้สาธุชนพุทธบริษัทผู้ที่ต้องการที่จะกําจัดความทุกข์ทางใจแล้วก็ในขณะเดียวกันก็สร้างความทุกข์ทางใจให้เกิดขึ้น ถ้าเราหยุดความอยากได้กำจัดความทุกข์ทางใจได้ความสุขทางใจก็จะโผล่ขึ้นมาแทนที่ความสุขทางใจเราไม่ต้องไปหาอะไรเราเพียงแต่มากำจัดความทุกข์ทางใจเท่านั้นเองพอความทุกข์ทางใจถูกกำจัดไปได้ความสุขทางใจก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีขั้นต้นก็ใช้ศีลเป็นข้อข้อห้ามใจ อย่าไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสทางร่างกายแล้วก็ใช้สตินั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบพอใจนิ่งใจสงบแล้วความอยากที่เกิดขึ้นก็จะหยุดไปชั่วคราวแต่ไม่หยุดอย่างถาวรมันยัง <c oughs> มันยังสามารถที่จะแสดง ตัวของมันได้เวลาที่ออกจากสมาธิมาเวลาที่จิตเริ่มคิดถึงเรื่องราวต่างๆหลังจากที่ออกจากสมาธิมาเริ่มคิดก็ดีหรือเริ่มไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพัชชนิดต่างๆความอยากนั้นก็จะกลับคืนมาใหม่ได้แล้วก็ถ้าต้องการที่จะกบจัดความอยากนั้นให้มันหมดไป อย่างถาวรพระพุทธเจ้าก็มีมาตรการขั้นที่สามคือขั้นปัญญาขั้นปัญญาก็คือให้เราเห็นโทษของความอยากว่าเป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจเวลาเราอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสนี้ใจเราก็จะเกิดความทุกข์ทรมานขึ้นมามเพราะฉะนั้นเราต้องไม่สนับสนุน การกระทาตามความอยากเราต้องหยุดมันให้ได้แล้วก็ต้องหยุดมันแบบถาวรเพราะการหยุดด้วยสมาธิหยุดด้วยสตินี้มันหยุดเพียงชั่วครั้งชั่วคราวในขณะที่จิตอยู่ในสมาธิแต่เวลาออกจากสมาธิมานี้ความอยากมันยังไม่ตายมันจะโผล่กลับขึ้นมาใหม่ถ้าอยากจะให้ความอยากตายไม่ให้ไม่ให้พื้นกลับคืนขึ้นมาใหม่ เราต้องใช้ปัญญาเนี่ยปัญญานี้ก็ให้มองเห็นสองส่วนด้วยกันเห็นโทษของความอยากว่าทุกครั้งที่เกิดความอยากนี้ใจก็ทรมานใจก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีให้เหมือนกับเป็นหมอดูหมอดูคนไข้ดูอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนไข้หมอก็วิเคราะห์ว่าเกิดจากเชื้อโรคชนิดใดชนิดหนึ่งถ้าอยากจะให้ ไข้ของคนไข้าหายไปก็ต้องฆ่าเชื้อโรคนั้นก็อาจจะให้กินยาปฏิชีวนะหรือจะให้ยากำจัดเชื้อโรคชนิดต่างๆพอยาเข้าไปกำจัดเชื้อโรคเหล่านั้นได้โรคภัยไข้เจ็บของร่างกายก็หายไปโรคของใจก็คือความทุกข์ใจก็เป็นเช่นเดียวกันมีเชื้อโรคที่ทำให้ใจทุกข์ตัวที่เป็นเชื้อโรค ก, ก็คือความอยากนี่ เป็นความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆถ้าเราถ้าเรามีสติมีสมาธินี่เราจะเห็นโทษของความอยากได้อย่างชัดเจนเพราะว่าเวลาที่เราทำใจให้สงบทำใจให้หยุดความอยากได้ความทุกข์ใจจะหายไป ใจจะสงบใจจะมีความสุขแต่พอเวลาออกจากสมาธิมาถ้าไม่มีสติคอยกากับดูแลใจพอเกิดความอยากขึ้นมาความอยากก็จะสร้างความทุกข์ทรมานใจให้กับใจขึ้นมาทันทีนะถ้าเราอยากที่จะทาให้ความอยากนี้หายไปอย่างถาวรเราต้องเห็นโทษของความอยากว่า เวลาก่อความอยากขึ้นมาในใจแต่ละครั้งนี้มันทำให้ใจทุกทรมานเป็นอย่างยิ่งและการที่จะทําให้ความอยากนี้ไม่ได้รับการตอบสนองเราก็ต้องศึกษาสิ่งที่ใจอยากสิ่งที่ใจสิ่งที่ความอยากต้องการเช่นรูปเสียงกลิ่นรสผดผลาวว่ามันไม่สามารถให้ความสุขอย่างยั่งยืนถาวรกับใจได้ อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสก็ไปหามาไปเอามาเสดเวลาได้เสดความทุกข์ทรมานใจก็จะหายไปชั่วคราวเพราะความอยากนั้นมันได้ถูกระ ง, งับลงเพราะมันได้เสดสิ่งที่มันอยากได้แต่ความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณนี้มันไม่ใช่เป็นความสุขแบบ ย, ยั่งยืน มันให้ความสุขได้ชั่วยะยะเวลาสั้นๆพอความสุขที่ได้หมดไปความอยากใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีความทุกข์ทรมานใจชุดใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีเราต้องเห็นว่าการที่จะทำให้เราหยุดความอยากได้เราต้องเห็นว่าการทำตามความอยากนี้มันเป็นการพาให้ใจเราไปเจอกับความทุกข์ เวลาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วเราก็ไปหาสิ่งที่เราอยากได้พอเราได้สิ่งที่อยากได้มาความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปชั่วคราวพอความสุขที่เราได้มามันจางหายไปความอยากใหม่ก็โผลขึ้นมาใหม่ความทุกข์ใหม่ก็โผลขึ้นมาใหม่มันก็จะไม่มีวันหายไปอย่างยั่งยืนอย่างถาวรมันจะหายไปก็ต่อเมื่อเรา กลัวความทุกข์ที่เกิดจากสิ่งที่เราไปได้มาเช่นเราอยากจะได้แฟนมาให้ความสุขกับเราเราก็ไปมีแฟนกันแล้วพอเราได้แฟนมาแล้ว เ, เกิดมีปัญหาขึ้นมาเกิดเราทะเลาะกับแฟนความสุขที่ได้จากแฟนก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทันทีหรือถ้าเราไม่ได้ทะเลาะกับแฟนเรารักกับแฟนอยู่แต่เกิดแฟนมีอุบัติเหตุ ตายจากเราไปเราก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจเพราะแฟนของเรานี้มันก็เป็นรูปเสียงกลิ่นรสชนิดหนึ่งที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่ถาวรวันใดวันหนึ่งก็จะต้องมีการพัดผาาจากกันเป็นธรรมด า, าเราต้องเห็นสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มาให้ความสุขกับเรานี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราว ไม่สามารถอยู่กับเราไปได้ตลอดให้เห็นอันนี้จังไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็จะทำให้เราทุกข์เวลาที่มันเสื่อมเวลาที่มันหายไปมันหมดไปแล้วก็มันก็เป็นอนัตตาก็คือมันเป็นภาวะทางธรรมชาติที่ไม่ใครไม่มีใครสามารถที่จะมาบังคับให้สิ่งต่างๆที่เราอยากได้มานี้คงเส้นคงวาอยู่ยั่งยืนถาวร เพราะกฎของธรรมชาตินี้มันเป็นกฎที่มีการเกิดแล้วก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่มีใครสามารถที่จะมาเปลี่ยนมาห้ามมาจำกัดกรรมจัดมันได้ถ้าเราเห็นสิ่งที่เราอยากได้ว่าจะให้ความสุขกับให้ความทุกข์กับเราในเบื้องหลังเบื้องต้นอาจจะได้ความสุขอยากจะได้อะไรพอไปได้มาก็ดีใจมีความสุขแต่พอต่อมา สิ่งที่เราได้มามันหมดไปมันหายไปมันจากเราไปสิ่งที่เราได้ต่อไปก็คือความทุกข์ใจไม่สบายใจคําว่าอนิจจังอ น, นิจจังเงก็จะนําไปสู่ทุกขังทุกขังก็เป็นเพราะว่าเราไม่สามารถไปบังคับให้สิ่งที่เป็นอนัตตาเป็นอัตตาเป็นของเราได้ถ้ามันเป็นของเราได้เราก็ต้องสั่งให้มันอยู่กับเราไปตลอดได้เช่น ให้แฟนเราอยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันจากกันไปซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ให้สิ่งที่ให้ความสุขกับเราอยู่กับเราให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆมันก็เป็นไปไม่ได้เ mm hmm. พราะมันเป็นของที่อยู่ภายใต้กฎของตายรักอ น, นิจจังทุกขังอนัตตา mm hmm. อันนี้แหละจ้าเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างคือเห็นลาบยศสรเสริญเห็นรูปเสียงกลิ่นรสว่าเป็นอ น, นิจจังเป็นของไม่เที่ยง จะต้องกลายเป็นความทุกข์ไม่ช้าก็เร็วเพราะว่าเราห้ามมันไม่ได้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มีการเกิดแล้วก็ต้องมีการดับมีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสรื่อมเป็นธรรมดาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปยุ่งกับมันเราอย่าไปเสพมันมันเป็นเหมือนยาเสพติดอย่าไปเสพยาเสพติดถ้าเราเห็นโทษของยาเสพติดเราก็ ยาไปเสพมันถ้าเรามีกำลังสู้กับความอยากที่จะไปเสพยาเสพติดได้ต่อไปความอยากจะเสพยาเสพติดมันก็จะหมดไปถ้าเราไม่ทำตามความอยากต่อไปความอยากมันก็จะโผล่ขึ้นมาไม่ได้ <c oughs> หรือเวลามันโผล่ขึ้นมาถ้าเราเห็นว่ามันจะนาพาเราไปสู่ความทุกข์เราก็จะไม่กล้าทำตามความอยาก เช่นถ้าเรารู้ว่าเครื่องดื่มที่เรากำลังดื่มอยู่ในขณะนี้เครื่องดื่มที่เราโปรด เ, เราเดื่มทุกวันว่ามีสารก่องะเรแต่ไม่มีใครรู้มาก่อนมีนักวิจัยไปค้นพบเข้าแล้วก็มาแจ้งผลให้ทราบว่าเครื่องดื่มชนิดนี้ถ้าดื่มเข้าไปแล้วจะต้องเกิดโรคมะเร็งตามมาพอเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่จะทำให้เราต้องเจ็บ่ายได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งนี้ ต่อให้มันแจกให้เราฟรีๆเราก็ไม่กินนะเราไม่ดื่มนะเพราะเราเห็นความทุกข์ที่จะตามมาถ้าเราไปไปดื่มมันอันใดขอให้เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากเอามาให้ความสุขกับเราต่วนลาบยศฉะละเสรรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยมันเป็นมันจะให้เราต้องทุกข์ทำให้เราเหมือนกับเป็นโงคมะเร็งขึ้นมา ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นโรคจะทำให้เราเกิดเป็นโรคมะเร็งนี้เราไม่กล้านะเราไม่กล้าแตนะไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวด้วยนะนั่นแหละคือความทุกข์ของใจเป็นโรคมะเร็งอย่างหนึ่งเป็นเหมือนโรคมะเร็งถ้าเราเห็นราบยศสารเสลููเสียงกลิ่นรสผลตพะว่าเป็นเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจไม่ใช่เกิดความสุขใจอาจจะเกิดความสุขใจในเบื้องต้นเวลาที่เราได้มาตอนที่มันจเจริญ แต่เวลามันเสื่อมนี่มันจะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือพลิกจากสุขให้กลายเป็นทุกข์ขึ้นอ่ะ น, นี่คือการใช้ปัญญาในการที่เราจะสามารถหยุดความอยากที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่อย่างไม่รู้จักจบจากเส้นนี้ให้หมดสิ้นไปจากใจได้ต้องใช้มาตรการสามขั้นตอนด้วยกันคือเครื่องมือถ้าเรารู้ว่า ลาบยศสารเสริญ ส, สุขนี้เป็นเหมือนยาเสพติดที่เรากำลังติดอยู่ถ้าเราอยากจะเลิกเสพยาเสพติดเหล่านี้เลิกเสพลาบยศสารเสริญ ส, สุขเราก็ต้องมีเครื่องมือเพราะถ้าเราไม่มีเครื่องมือเราจะไม่มีกำลังที่จะสู้กับมันได้เราก็ต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญานี่ในการจะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาได้ เราก็ต้องมีเวลาให้กับการฝึกขัดรักษาศีลฝึกขัดเจริญสมาธิฝึกขัดเจริญปัญญาเราต้องมีทั้งเวลาให้กับการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาและเราก็ต้องมีสถานที่ที่เอื้อต่อการเจริญศีลสมาธิปัญญาด้วยเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนกับการปลูกข้าว เวลาเราปลูกข้าวเราก็ต้องเลือกสถานที่ปลูกสถานที่ไหนที่ดินดีน้ำดีเวลาปลูกข้าวข้ามันก็จะเจริญงอก ง, งามขึ้นมาถ้าเราไปได้สถานที่ที่ไม่ดีน้ำไม่ดีดินไม่ดีปลูกไปข้าวก็ไม่งอก ง, งามขึ้นมาฉันใดการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานอกจากต้องมีเวลาแล้วยังต้องมีสถานที่ที่เอื้อต่อการปฏิบัติ ด, ด้วย สถานที่ที่ต่อการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาก็คือสถานที่ที่อยู่ห่างไกลจากราบยศเสริญสุขนั่นเองถ้าเราอยู่ใกล้ราบยศเสริญสุขเราจะถูกราบยศเสริญสุขดูดใจเข้าไปหามันเพราะเราเคยติดพันอยู่กับมันมาตลอดถ้าเรายัางอยู่ใกล้มันอยู่นี่มันก็จะดึงใจให้เราไปหาราบยศเสริญสุขแทนที่จะ ให้เราถอยออกจากการไปหาราบยศสารเสรินสุขนี่เราก็จะถูกมันดูดกลับเข้าไปอย่างง่ายได้รักษาศีลแปดก็รักษาไม่รอดไม่ตลอดพอไปอยู่ใกล้กับคนที่เขากินอาหารกินมื้อเย็นกันอยู่ใกล้กับคนที่เขาเสาพความสุขจากมหรสศ บ, บันเทิงต่างๆมันก็จะทำให้ใจนี้ทนไม่ไหวจึงจำเป็นที่จะต้องไปอยู่ที่ห่างไกลจากราบยศสารเสิญสุข เป็นไปอยู่ตามสถานที่สงบสงัดที่ไม่มีราบยศสรรเสริญสุขมาล่อใจมาดูดใจให้กลับไปหามันมต้องไปหาที่สงบสงัดวิเวก<ม>คือสถานที่ที่ไม่มีลูกเสียงกิ่นรสมาคอยยั่วยวนกวนใจไม่มีราบยศสรรเสริญมาคอยดื่มใจไป<ม>แล้วถึงแม้ว่าเวลาที่เราไปอยู่ในที่สงบสงัดวิเวกแล้ว เราก็ต้องระวังอย่าเอาสื่อที่จะไปเชื่อมมันกับติดตัวไปด้วยสื่อที่จะเชื่อมเราให้ติดกับลาบยศสารเสริญสุขก็คือโทรศัพท์มือถือของเรานี้เพราะถ้าเราเปิดโทรศัพท์มือถือเราก็จะไปเจอกับเรื่องของราบยศสารเสริสุขทั้งนั้นเพราะว่านี่คือชีวิตจิตใจของมนุษย์เราใช้มือถือเพื่อหาราบยศสารเสริญสุขกันดังนั้นถ้าเรา จะไปปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาให้เกิดผลขึ้นมาเราก็ต้องอย่าไปใช้สื่อต่างๆอย่าไปใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อกับใครติดต่อกับทางโลกเพราะถ้าเราเปิดมือถือแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีรูปเสียงกิ่นรสเข้ามามีเรื่องของราบยสาศสรรเสริญเข้ามาให้เราเมาเพมขึ้นมา ท, าทันทีพอเราอยู่ใกล้มันถึงแม้ว่าตัวเราจะไม่ได้อยู่ใกล้มันแต่เรามีสื่อคือมือถือ เป็นตัวที่มันดึงให้สิ่งเหล่านี้มายั่วยวนกวนใจเราใจเราก็จะอดไม่ได้แทนที่จะ เ, เวลามาให้กับการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเราก็เลยเอาเวลาไปอยู่กับการดูมือถือพอดูมากๆเดี๋ยวก็อาจจะเกิดความอยากจนกระทั่งทนอยู่ปฏิบัติไม่ได้ก็อาจจะต้องลาสิกขาไปชั่วคราว <c oughs> ลาการปฏิบัติศีล ส, สมาธิไป เพื่อไปเสพลาบยศสารสนุขที่ได้สัมผัสจากการดูในมือถือนี่ยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทํากันวันพระนี่พระเจ้าบอกว่าให้เราตัดทางโลกไปหนึ่งวันให้ลืมเรื่องลาบยศสรรสริญเรื่องความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายไปหนึ่งวันเพราะที่เราจะได้เอาเวลามาสร้างเครื่องมือไว้ต่อสู้กับต่อสู้กับความอยาก ที่เป็นตัวที่พาให้จิตใจของเราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดไปหาลาบยศ ส, สรเสิญสุขอยู่เรื่อยๆอย่างไม่มีวันจบสิ้นพอเราไปอยู่ที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากลาบยศ ส, สรเสินสุขแล้วการถือศีลแปดก็จะไม่ยากเพราะไม่มีอะไรมายุ่ยยวนกวนใจเพราะว่าที่เราไปอยู่นี้ไม่มีคนกินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่มีทานร่วมหลับนอนกัน ชายหญิงเขาก็แยกกันอยู่คนละที่กันหรือบางทีบางแห่งไม่ให้ไม่ม่มว่าจะเป็นชายหรือเป็นหญิงก็ไม่ให้อยู่ด้วยกันให้แยกกันอยู่คนละที่อยู่กันแบบเดียวๆจะได mm hmm. ้ไม่มีมีความอยากเกิดขึ้นได้ mm hmm. ถ้าอยู่ด้วยกันใกล้ชิดกันความอยากมันก็มีวิธีหลากหลายด้วยกัน mm hmm. บางทีมันก็สามารถทำให้อยากกับเพศร่วม เพศเดียวกันก็ได้เพราะฉะนั้นในสถานที่ปฏิบัติที่เข้มงวดกวดขันจริงๆนี้เราจะไม่ให้นักปฏิบัติได้นอนด้วยกันเลยให้แยกกันนอนไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือไม่เป็นเพศเดียวกันก็ตามเพราะถึงแม้อาจจะเป็นเพศเดียวกันแต่ความอยากมันก็อาจจะพลิกได้จากการเคยอยากเพศตรงกันข้ามก็อาจจะกลับมาอยากกับเพศเดียวกันก็ได้มันก็เลยต้องมีการ ให้แยกกันอยู่ไม่ให้คุกทีกันไม่ให้อยู่ใกล้ชิดกัน<ม>เพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการเรื่องการเสพได้การเสพกามได้นั่นเองอันนี้คือมาตรการแรกต้องมีที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากสิ่งที่ยั่วยวลกวนใจแล้วก็เวลาไปอยู่ก็ให้แยกกันอยู่คนละที่กันอย่าอยู่ที่เดียวกัน ตามตามวัดป่านี้จะมีกุฏิเป็นคนละหลังคนละหลังนักปฏิบัติธรรมนี้จะอยู่กันคนละหลังพระก็อยู่ส่วนของพระโยมก็อยู่ส่วนของโยมโยมก็อยู่คนละหลังเหมือนกันเพราะว่ามันจะได้ไม่มีปัญหาที่จะสร้างเกิดนิวรขึ้นมานิวรณที่จะเกิดขึ้นก็คือการมันทะถ้าเราอยู่ใกล้รูปเสียงกลิ่นรสปฐพะ มันก็อาจจะทำให้เกิดการมาฉันท่าขึ้นมาได้พอเกิดการมาฉันท่าขึ้นมาใจก็จะวุ่นนะใจก็จ ะ, ะกระวนกวายกระสับกระส่ายฟุ้งซ่านเกิดความเครียดจากความอยากขึ้นมาทันทีแต่ถ้าไม่ได้อยู่ใกล้รูปเสียงกลิ่นลดโอกาสที่จะทำให้เกิดการมาฉันท่า ก, ก็จะมีน้อยมากมก็ยังมีอยู่ได้ถ้ายังเผลอไปคิดถึก รูปเสียงกลิ่นลดได้ดังนั้นเมื่อเราอยู่ในที่ที่มันห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นลดแล้วเราก็อย่าปล่อยให้ใจยิ่งไปหามันอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นลสวิธีที่อย่าห้ามใจไม่ให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นลดลววก็คือต้องการต้องเจริญสติอยู่เรื่อยๆต้องคอยควบคุมความคิดให้มันคิดอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึห่งเช่นให้คิดอยู่กับคาบริกรรมพุทโธพุโทโธไป ถ้าเราคิดอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆมันก็จะไม่สามารถไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้หรือถ้าเราไม่ต้องการจะใช้คําบริกรรมพุทธโธก็ให้ผูกใจไว้กับการดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายก็ได้ถ้าอยู่กับพุทธโธเราก็เรียกว่าใช้พุทธานุสติใช้พระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งของสติเป็นที่ยึดเหนี่ยวของใจไม่ให้ลอยไปกับ ความคิดที่จะคิดไปถึงลาบยศรเสริญสุขถ้าอยู่กับพุทธโธไปเรียกว่าพุทธานุสติถ้าอยู่กับร่างกายแล้วก็เรียกว่ายักกตาสติให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระทําต่างๆของร่างกายในทุกิริยาบทใ น, ในทุกการกระทําแล่ ว, ว่าจะทําอะไรอยู่ใจต้องเฝ้าอยู่กับการกระทําของร่างกายเพียงอย่างเดียวค อ, อยดึงใจไว้ให้อยู่กับร่างกายไปเรื่อยๆ ถ้าสามารถมีสติคอยคุมใจได้ใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผดทาพัสชนิดต่างๆได้พอไม่คิดความอยากมันก็จะไม่เกิดแล้วถ้าอยากจะให้ความอยากนี้มันหยุดเราก็ต้องหยุดคิดการควบคุมใจด้วยสตินี้ยังไม่ได้หยุดความคิดมันยังมีโอกาสที่จะคิดได้อยู่วิธีที่จะทำใ ห, ให้มันหยุดคิดเลยก็ต้องนั่งเฉย ร่างกายต้องอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆแล้วก็มีสติอยู่กับพุทโธไปหรือมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกไปแทนถ้าเราใช้กายกตตาสติเราก็เปลี่ยนมาใช้เป็นอนาปนสติตอนที่ร่างกายมีการเคลื่อนไหวเราก็ใช้ร่างการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นที่ตั้งของสติแต่พอร่างกายไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการกทำอะไรเราก็เปลี่ยนมาตั้งสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกแทน ดูลมหายใจเข้าออกที่จุดที่มันสัมผัสเข้าออกคือแถวบริเวณปลายจมูกนั่งดูตรงจุดนั่นจุดเดียวนั่งเฝ้าดูด้วยจิต ด, ด้วยสติไม่ต้องใช้ตาดูหลับตาแล้วก็ใช้ความรู้สึกของลมที่สัมผัสกับกับจมูกเวลามันเข้าเรามันก็จะรู้สึกว่ามันสัมผัสอยู่ที่ปลายจมูกก็รู้ว่ามันกาลังเข้าเวลามันออกก็ให้รู้ว่ามันกาลังออก ให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ใจทํางานการไปควบคุมบังคับลมนี้เป็นการทํางานของใจถ้าใจมีการทํางานอยู่ใจก็จะนิ่งสงบไม่ได้เราต้องการให้ใจนิ่งสงบเราจึงไม่ต้องให้ใจทํางานอะไรให้ใจรู้เฉยๆการรู้เฉยๆนี้ไม่ได้เป็นการทํางานของใจเพราะมันเป็นธรรมชาติของใจใจมีธรรมชาติที่สามารถรู้ มีความรู้สามารถรับรู้อะไรได้เฉยๆไม่ต้องทำอะไรให้รู้เฉยๆรู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออกถ้าลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมลมหยาบลมยาวก็รู้ว่ายาวลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมหยาบก็รู้ว่าหยาบถ้าลมหายไปก็รู้ว่าหายไปไม่ต้องเปลี่ยนที่ก็ยังดูต่อไปดูจุดที่ไม่มีลมนั่นแหละเพราะตอนนั้นมันเป็นจุดเวลาที่จิตจะเข้าเข้าสู่ความสงบแล้ว ถ้าเราไปตื่นเต้นตกใจว่าไอ้ลมหายไปไหนเราไม่หายใจเราจะตายหรือเปล่าถ้าเกิดความคิดอย่างนี้ขึ้นมาจิตก็จะจิตที่กำลังจะเข้าสู่ความสงบก็จะถอยออกมาจิตที่กำลังละเอียดก็จะกลับหยาบขึ้นมาด้วยความคิดด้วยความวิตกกังวลเพราะฉะนั้นเวลาดูลมนี้ไม่ต้องต่อยความวิตกกังวลถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะเห็นลมได้ไม่ต้องไปคิดว่าเราจะตายเพราะมันไม่ตาย เพราะมมันละเอียดจนเราไม่สามารถที่จะรับรู้มันได้แต่รับประกันได้ว่าไม่ตายแล้วถ้าเราเรารู้ไปเฉยๆโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเดี๋ยวจิตก็จะนิ่งสงบรวมเข้าสู่ความสงบได้อพอจิตสงบนิ่งแล้วเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรแล้วร่างกายก็อยู่เฉยๆจิตก็จะอยู่เฉยๆแล้วสิ่งที่ปรากฏขึ้นจากความสงบก็คือความสุขอันมหัศจรรย์ใจ เปนความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องการจากการฝึกสตินั่งสมาธิเพื่อให้เกิดความสุขที่เกิดจากความสงบของใจเพราะถ้าเมื่อเรามีความสุขที่เกิดจากความสงบของใจแล้วนี่เรามีที่พึ่งอันใหม่แล้วแทนที่เราจะไปพึ่งความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเรานี้สามารถใช้ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็น ที่พึ่งของใจได้ให้ความสุขกับใจได้และเป็นความสุขที่แบบไม่มีพิษมีภยัยไม่เป็นไม่เป็นเหมือนยาเสพติดอย่างราบยศสรงเสริญอย่างรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพอเราได้ความสุขจากความสงบแล้วมันก็จะทําให้เราสามารถเลิกการหาความสุขจากลูกเสียงกลิ่นรสผลทพธาได้เมื่อเราพิจารณาด้วยปัญญาว่าลูกเสียงกลิ่นรสผลทพธานี้มันเป็นทุกข์มันเป็นอนิจจัง มันเป็นอนัตตามันไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้อย่างยั่งยืนถาวรตลอดเวลาแต่ความสุขที่เราได้จากการทําใจให้สงบนี้เราสามารถทําได้ตลอดเวลาเวลาที่เราต้องการความสุขเราก็ไปหาที่สงบนั่งหลับตาดูลมหายใจเพียงภาพเดียวถ้าเราทําไปเรื่อยๆเราจะเกิดความชำนิชำนานขึ้นมาแต่เราสามารถมีความสุขจากความสงบได้อยู่เรื่อยๆพอเรามีความสุขจากสมาธิแล้ว พอเราใช้ปัญญาพิจารณาเห็นโทษของความอยากเห็นโทษของสิ่งที่เราอยากได้ว่ามันเป็นทุกข์มันก็จะทำให้เราเลิกความอยากหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพาได้เลยอันนี้แหละคือประเด็นสาคัญคือเราต้องสร้างความสุขใหม่ให้เกิดขึ้นมาให้ได้จากการปฏิบัติเจริญสตินั่งสมาธิให้เรามีความสุขที่เกิดจากความสงบถึงแม้ว่ามันจะเป็นความสุขแบบชั่วคราว แต่เราก็สามารถที่จะเข้าไปหามันได้อยู่เรื่อยๆแล้วมันจะทำให้เรานี้สามารถเลิกเลิกใช้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะมาให้ความสุขกับเราได้เพราะเราเห็นด้วยปัญญาเห็นโทษว่ามันเป็นมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นความสุขมันเป็นความสุขในเบื้องต้นแล้วมันจะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเวลาที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเสื่อม เกิดการดับตามมานี่แหละต้องมีทั้งสมาธิต้องมีทั้งปัญญาเราถึงจะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้ถ้ายังไม่มีความสุขจากความสมบนี้ถึงแม้เราจะรู้ด้วยปัญญาว่ามันเป็นทุกข์แต่เราก็ยังอดไม่ได้เพราะเมื่อเราไม่มีความสุขแลวเราเคยหาความสุขจากยาเสพติดเราก็ยังต้องกลับไปหาความสุขจากยาเสพติดอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราได้มีได้พบกับความสุขอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ไม่ใช่เป็นความสุขแบบยาเสพติดที่เป็นความสุขแบบที่สะอาดที่ไม่มีความทุกข์ตามมาที่เราสามารถหาได้ทุกเวลาที่เราต้องการเราก็จะสามารถเลิกการไปหาความสุขจากยาเสพติดได้ความสุขจากความสงบคือสมาธินี้เป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยสนับสนุนในการเจริญปัญญาเมื่อเราเห็นด้วยปัญญาว่าความอยากเป็นทุกข์และสิ่งที่ ความอยากต้องการก็เป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาเราไม่สามารถสั่งให้มันเที่ยงได้สั่งให้เรามันให้ความสุขกับเราไปตลอดได้เราก็จะหยุดความอยากได้อย่างถาวรจะไม่กล้าไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเด็กต่อไปเพราะรู้ว่าเท่ากับการไปหาความทุกข์เมื่อช้าก็เหลวสู้หยุดความอยากดีกว่าพอหยุดความอยากได้ปั๊บนี้ ความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปใจก็จะกลับมาสงบโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิและได้ความสุขแบบที่อยู่ในสมาธิโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิคือใจจะสงบเพราะว่าเหตุที่มาทำให้ใจทุกข์ทำให้ใจไม่มีความสุขทำให้ใจวุ่นวายก็คือความอยากต่างๆนั่นเองพอได้รับการกำจัดด้วยปัญญาแล้วพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจแล้วใจก็จะสงบเหมือนกับขณะที่เข้าอยู่ไปในในสมาธิ โดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิอยู่เฉยๆถ้าไม่มีความอยากแล้วใจก็สบายเช่นตอนนี้ญาติโยมนั่งเฉยๆนั่งอยู่มาได้เพราะไม่มีความอยากไม่มีความอยากจะลุกไปทำอะไรไม่อยากมีความอยากไปดื่มไปทำอะไรก็นั่งอยู่เฉยๆได้ ใ, ใจที่ไม่มีความอยากก็จะเป็นอย่างนั้นจะ อ, อยู่เฉยๆอย่างมีความสุขอย่างมีความสบายเพราะไม่มีความทุกข์มาคอยสร้างความทุกข์ทรมานให้กับใจนั่นเอง นี่แคือเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมคือการม า, มาหยุดความอยากต่างๆที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจที่เป็นตัวที่พาให้ใจต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆมาเจอกับความทุกข์ที่เกิดจากการแก่การเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆพอเราชำระความอยากต่างๆด้วยเครื่องมือสามชนิดด้วยกันก็คือศีลสมาธิปัญญาได้แล้วความอยากที่เคยมีในใจที่เป็นตัวมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจก็จะหายไปหมด พอตัวตัวก่อความสงบหายไปหมดความสงบของใจก็ก็ <c oughs> กลับมาเป็นปกติเป็นธรรมชาติของใจไม่ต้องเข้าสมาธิอยู่เวลาไม่มีความอยากในใจก็มีความสุขมีความสบายแล้ว <c oughs> นี่แหละคือกิจที่พระเจ้าต้องการให้ชาวพุทธเรามาทํากันในวันพระเพราะว่าถ้าเราไม่มีเวลาให้กับการปฏิบัติศีนสมาธิปัญญานี่โอกาสที่จะ กำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจนี้มันเป็นไปได้ยากถ้าเราไปคิดว่าเรานั่งสมาธิวันละครึ่งชั่วโมงวันละชั่วโมงนี้มันจะพอมันไม่พอหรอกมันอาจจะเป็นเหมือนกับเป็นของชิมท่านเองยังไม่เป็นอาหารจานใหญ่ได้เพียงแต่ชิมลถของธรรมเล็กๆน้อย ๆ, ๆ, ๆแต่ไม่สามารถที่จะกำจัดความอยากกำจัดความทุกข์ไม่สามารถยุติการเวินวายตายเกิดได้อย่างอย่างราบคาบ จะทาได้ก็จะทำให้มันหยุดได้อย่างราบคาบก็ต้องมาปฏิบัติอย่างทั้งวันทั้งคืนหนึ่งวันกับหนึ่งคืนของวันพระนี่เองเพราะเมื่อเราได้ปฏิบัติแล้วเราได้รับผลจากการปฏิบัติมันก็จะทำให้เรามีความยินดีที่อยากจะเพิ่มมากขึ้นต่อไปเราก็จะเพิ่มวันพระจากอาทิตย์ละหนึ่งวันเป็นสองวันเป็นสามวันเพิ่มไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราก็จะสามารถปฏิบัติทุกวัน ทุกวันเป็นวันพระได้เราก็จะปฏิบัติแบบแบบแบบแบบเป็นนักบวชก็ได้หรือแบบเป็นผู้คองเลยก็ได้ถ้าตราบใดเราสามารถมีเวลาให้กับการปฏิบัติได้การบรรลุธรรมการหลุดพ้นจากความทุกข์การถึงพระนิพพานก็จะเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนนี่ก็คือเรื่องราวของวันพระที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตจินังเปตานังอุ ป, ปกา ป, ปะตตอิจิตังปะทิตังตุลหังคิดเปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปณาลสุยาามณิโชติละสุยาาสัพพิติยวิวัจจันตุสัพพโลกวินาศตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนสีนิสานิจจังวุฒาปจายโน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 ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้อันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติอภิชาโต332คน YouTube พระสุชาติไลฟ์363ย o u t บ b e d กเตอร์บีแชนเน49วิทยุออนไลน์9 c l u b h ฮ u s e 5 ผู้รับฟังธรรมะนาคุติหนึ่งร้อยสิบเจ็ดคนรวมทั้งหมดแปดร้อยเจ็ดสิบห้าครับถามได้เลยครับมีหนึ่งคำถามจากผู้รับฟังนาคุติครับขอรบกวนพระอาจารย์ขยายความการลดอัตราตัวตนโดยคิดว่าเราเป็นคนรับใช้เป็นผืนดินคือเราไม่ควรคิดว่าเราดีเราเก่งใช่ไหมครับ หรือควรคิดว่าเราไม่ดี <S 2> <S 2> เราไม่เก่งหรือไม่ต้องคิดทั้งสองทางครับไม่คิดเลยก็ดีไม่คิดว่าเรามีเราเป็นตัวตนเราเป็นตัวรู้เฉยๆนี่คือธรรมชาติที่แท้จริงของของเราก็คือเป็นผู้รู้แต่เรามีความหลงไปคิดว่าเราเป็นเป็นตัวรู้ผู้รู้เราเป็นคนรู้แต่คนรู้ไม่มีมีแต่ความสามารถที่จะรู้เป็นธรรมชาติของธาตุรู้การที่เราลดตัวตนลง เพื่อเพื่อที่จะได้ทำให้ตัวตนมันเล็กลงแล้วมันจะได้ไม่สร้างปัญหาให้กับเราถ้าเราไปถือตัวว่าเราใหญ่เราโตนี่มันจะทำให้เรามีปัญหามากกว่าถ้าเราทำตัวให้เราเป็นผู้ที่ไม่มีตัวตนคนที่ต่ำต้อยคนที่คนที่ไม่มีฐานะนี่เขามักจะมองมองข้ามไปไม่ถือว่าเป็นตัวเป็นตนตไม่มีความสำคัญอะไรแล้วเราก็จะสามารถอยู่แบบ อยู่กับใครก็ได้เพราะใครจะดูถูกเราเราก็ไม่ถือสาเพราะเราเราไม่ถือว่าเราเป็นคนที่ต้องมีใครมานับถือเราให้เกียดกับเราเราเป็นเหมือนปัตตภีพระเจ้าบอกว่าให้ทำตัวเหมือนเหมือนดินเป็นสิ่งที่ต่ำที่สุดใครจะเหยียดใครจะย่มใครจะดูถูกดูแพนอะไรก็ปล่อยก็ทำไปมีคนอยากจะถามะัรหากลับนมัสการครับอาจารย์ เวลานั่งสมาธิแล้วพอเริ่มสงบมันโดยโดยใช้การใช้พุทโธครับพอเริ่มสงบมันรู้ตัวอีกทีคือเหมือนกับว่ามันหลับไปครับตื่นรู้ตัวอีกทีเหมือนตื่นขึ้นมาอย่างนั้นนะครับเป็นอย่างนี้อยู่บ่อยๆครับพระอาจารย์เพราะสติเรามีกำลังน้อยพอจิตจะเริ่มสงบมันก็สติก็หายไปมันก็เลยเข้าภาวงหลับไป แทนที่จะเขาพรางสมาธิมันเข้าพรางหลับต้องฝึกสติให้มากแล้วก็ต้องลดเหตุที่ทําให้เราง่วงนอนหลับง่ายก็คือกินมากเกินไปถ้ากินมากแล้วมันมันจะหลับง่ายมันสบายต้องให้มันร่างกายมันทุกนิดหน่อยให้มันหิวนิดหน่อยถ้ามันหิวแล้วมันจะไม่ค่อยง่วงแต่ถ้ามันอิ่มแล้วมันจะมันจะง่วงง่ายหลับง่าย ท่านถึงสอนให้ถือศีลแปดใ ห, ใ ห, ให้ไม่ให้กินอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วครับจะไปลด อ, อาหารแล้วก็ฝึกสติในชีวิตประจำวันเพิ่มครับได้อันนี้มากขึ้นครับกับ เ, เรียนสอบถามอีกข้อหนึงครับคือพอดีมเีเพื่อนบอกบุญมาทำ เ, าเรียกพระอ่อ ที่พระธาพนมอะครับคล้ายๆหล่อพระครับเวลาเราได้อหล่อพระเหล่าเนี่ยการอธิษฐานจิตถ้าอธิษฐานจิตว่าให้เป็นผู้ตั้งมั่นในการทําทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาแบบนี้เหมาะสมดีไหมครับคือการจะทำให้เราเป็นผู้ตั้งมั่นในการทําบุญทําทานก็คือเราต้องทําบ่อยๆการตั้งจิตอธิษฐานก็เป็นเพลงเหมือนการบังคับใจเราว่าต่อไปนี้เราต้องทําบุญทำทานอยู่เรื่อยๆนะ ถ้าเราตั้งเพล่เฉยๆแล้วเราไม่ทำบุญทำทานนานๆแต่ทำสักทีมันก็ไม่ตั้งมั่นมันจะตั้งมั่นอยู่ที่การกระทำไม่ได้อยู่ที่การคิดคิดได้เราขอให้ตั้งมั่นในการทำบุญทำทานแต่พอถึงเวลาเอาไม่มีเงินเอาเงินไปเที่ยวซะก่อนไปซื้อของอย่างอื่นซะก่อนมันก็ไม่ได้ทำแต่ถ้าเรามีอธิษฐานวาตั้งใจว่าต่อไป น, นี้ถ้ามีโอกาสได้ทาบุญเราจะทาบุญก่อน ถ้าจะเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเวยเรือเอาเงินไปเที่ยวเรายะเอาเงินไปทําบุญก่อนครับ อ, อันมันจะตั้งมันครับอันนั้นไม่เป็นครับ<ส>ไม่เป็นก็ก็มีทําทานอยู่เนืองๆครับพระอาจารย์ทำอยู่เรื่อยๆมันก็จะตัง้งมั่นเองเแต่คิดเฉยๆตั้งใจเฉยๆมันไม่ไมันไม่เกิดผลผลเกิจากการกระทำแต่การตั้งใจก็ดีจะได้เป็นการบังคับใจเราให้เราทําทําอยู่เรื่อย ถ้าเราไม่ตั้งใจเลยเราก็จะไม่ทำอาจจะทําตามโอกาสตามความรู้สึกตามอารมณ์มันไหนอยากจะทําก็ทำวันนั้นไม่อยากจะทําก็ไม่ทําแต่ถ้าเราตั้งตั้งศัจจาธิฐานไว้เราก็จะทําครับอ่ถ้าอย่างนั้นปกติแล้วเวลาทําบุญเราควรมีการอธิษฐานยังไงดีลรือครับคือก็ขอให้ขอให้ได้ทําอยู่เรื่อยๆทาให้ได้มากขึ้น เอธิษฐานแบบนี้แต่อย่าไปอธิษฐานขอผลก็ขอให้ได้นิพพานขอให้ได้ร่าำรวยอย่างนี้ไม่ไม่เกิดผลขึ้นมาจากการอธิษฐานแต่อธิษฐานเป็นการตั้งเป้าหมายของการกระทํำนี้เราควรจะตั้ง อ, อ, อทําบุญแล้วดีมีความสุขใจต่อไปนี้จะทําทมากขึ้นบ่อยขึ้นแล้วเราก็ทําตามที่เราตั้งใจไว้กลาวธรรมสการครับเดี๋ยวมีคนอีกคนตอบนะครบขอบคุณครับ วัฒนการค่ะหลวงพ่อมีคําถามสักถามค่ะคือเขาเลิกเล่นหวยมานานมากๆแล้วค่ะแล้วมีเมื่อวันที่ที่ผ่านมามีคนมาขายโรตรี่เขาเออแล้วเขาไม่เอาค่ะเป็นรางวัลที่หนึ่งสิบสองล้านเขามีคําถามมาว่าคือเขาเสียดายในราบค่ะหลวงพ่อแล้วเขาก็ทุกข์มากเมื่อเห็นสิบสองล้านแล้วเขาไม่เอาจะทํำยังไงดี ม, มันถ้ามันเห็นไม่พด้เอานี้มัน คือไม่หาเพราะมันไม่เห็นนี่ไ <Jub> ม <ilee> <use. S 2> ่เขายัดเยียดแล้วค่ะแล้วเขาก็ปฏิเสธเพราะพวกเขาไม่เห็นว่ามันเป็นรางวัลที่หนึ่งใช่ไหมถ้าเห็นรางวัลที่หนึ่งต้องยัดเยียดหรือเปล่าเพราะเขาไม่เห็นเพราะมันไม่มีใครเห็นเพราะมันยังไม่เป็นตอนที่เข้ามาให้เรามันยังไม่เป็นเพราะรางวัลมันยังไม่ออกฉะนั้นก็อย่าไปคิดอะไรมากเลยคิดแค่ว่ามันก็เป็นเรื่องของอริจังไม่แน่นอนบางทีก็ถูกบางทีก็ไม่ถูก แล้วค่ะไปอยากได้ก็ทุกข์ไปเปล่าๆเพราะว่ามันไม่มีทางที่จะได้แล้วเพราะมันไม่ได้อความทุกข์เกิดจากความอยากถ้าไม่ทุกข์ก็จะไม่อยากถ้าไม่อยากก็ไม่ทุกข์คำถามจากทาง facebook youtube จากคุณสุภกรคําว่าสติที่ใช้ในการดําเนินชีวิต ในทุกๆวันกับสติปฐาน4มีความหมายต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรครับความหมายเดียวกันคือให้ใจอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็คือการฝึกสติให้ใจไม่ลอยไปกับความคิดต่างๆทีนี้การฝึกปฏิบัตินี่มันจะเข้มข้นกว่าชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันเรา จ, จะมีสติอยู่กับนี้ปั๊บหนึ่งแนละ้วเดี๋ยวเราก็ปล่อยล้วก็ไปเรื่องนู้นเรื่องนี้นะ แต่ถ้าในในการปฏิบัตินี่เราต้องอยู่เรื่องอยู่กับเรื่องนั้นตลอดนะให้ไปไปที่อื่นเลยเรียว่าต้องมีการต่อเนื่องแต่ชีวิตประจำวันนี้มันไม่ต่อเนื่องอันนี้มีสติอยู่กับเรื่องนี้ปั๊บเดี๋ยวมันก็ไปคิดเรื่องนั้นแล้วก็กลับมาคิดเรื่องนี้ใหม่มีคนถามอยากเดี๋ยวมีมีถามขอย่าเจ้าค่ะหลวงพ่อเออเมื่อกี้ที่ฟังเหมือนหลวงพ่อพูดถึงความอยาก ลักษณะของการติดยาเสพติดเจ้าค่ะเพราถ้าพวกโยมเรียนมาเขาบอกว่ามีวิธีสองอย่างคือแบบหยุดกระทันหันคือหยุดชัดเจนไปเลยกับข้อที่สองคือค่อยๆลดลงอันนี้คือวิธีการรักษายาเสพติดอย่างนี้เจ้าค่ะก็เลยสงสัยว่าหลวงพ่อไม่แนะนําแนวที่สองเลยเหรอเจ้าคะเหมือนกับว่าให้ให้ตัดอยากไปเลยอย่างนี้เจ้าค่ะหรือลูกหลานเข้าใจผิดยังไงขอเมตตาหลวงพ่อชี้แนะด้วยเจ้าค่ะอ๋อมันอยู่ที่กําลังของผู้ที่จะหยุดเนี่ย มันมีกำลังหยุดมากน้อยเพียงไรถ้าไม่มีกำลังหยุดมากถึงมันจะหยุดเลยมันก็หยุดไม่ได้มันก็ต้องเป็นแบบเป็นขั้นเป็นตอนไปแต่ถ้ามันไม่มีเครื่องมือมาสนับสนุนมันก็จะทรมานใจแต่ถ้ามีเครื่องมือที่พรเจ้าให้ทำก็คือฝึกสตินั่งสมาธิแล้วมันก็จะทำให้เวลาเกิดความอยากมันทรมานใจแล้วก็บรรเทามันด้วยการเข้าสมาธิไป แล้วความอยากนั้นมันก็จะลดกําลังลงไปแล้วคราต่อไปมันก็จะเบาลงเบาลงไปเรื่อยๆแต่มันจะไม่หายไปมันจะหายไปก็ตามเมื่อเราใช้ปัญญาถอนใจว่าการทําตามความอยากนําไปสู่ความทุกข์เพราะสิ่งที่เราอยากมันก็เป็นของมันของชั่วคราวเป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็ความอยากเองก็เป็นตัวที่ทําให้ใจเรากระวนกวายกระสับกระส่ายดังนั้นเราต้องกําจัดมันด้วยการใช้ปัญญา ให้เห็นโทษของมันเห็นว่ามันเป็นตัวที่จะพาให้เราไปเจอความทุกข์ทุกข์ทั้งในขณะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเวลาเกิดความอยากขึ้นมาใจก็ทุกข์นะแล้วสิ่งที่เราคิดว่าจะบรรเทาความทุกข์ของเรามันก็บรรเทาได้ชั่วคราวพอมันหมดฤทธิ์ยาหมดฤทธิ์มันก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาอีกก็ทุกข์ใหม่ขึ้นมาอีกเั้นต้องมองให้เห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์สิ่งที่เราจะเอามาใช้ในการบรรเทาบรรเทาความ ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต้องเอาใช้ใช้สมาธิแทนอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะใช้ได้อยู่เรื่อยๆแล้วไม่มีพิษมีภยัยมันไม่ได้สร้างความอยากใหม่ให้เกิดขึ้นแต่มันจะทำให้ความอยากเก่ามันลดกำลังน้อยลงไปเรื่อยๆ ค, คือคนเรามันก็มีความสามารถไม่เท่ากันไง บางคนก็สามารถเลิกได้เลยบางคนก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปแต่บางทีเริกได้ปั๊บเหี๋ยวสักอีกหกเดื อ, อนอาจจะกลับมาใหม่ก็ได้เพราะมันไม่ได้ตายด้วยปัญญามันต้องเห็นโทษของความอยากเห็นโทษสิ่งที่เราไปติดว่ามันเป็นพิษเป็นภัยต่อต่อความต่อความสงบความสุขของเราถ้าเราเห็นโทษแล้วเราก็จะไม่กล้าไปยุ่งกับมันแต่เรายังเห็นว่ามันยังเป็นความสุขอยู่นะ เห็นว่าเหนามันจะเลิกกระดาษหกเดือนหรือหกหกปีมันก็ยังย้อนกลับไปหามันได้อยู่วันไหนเกิดลมเหน็บของเหาขึ้นมาเกิดแรงงานล้วเสรจุดชื้อขึ้นมาอยากให้ชีวิตมีมีชีวิตชีวาก็เอะาเจ็บก็หน่อยวะพอหน่อยเพกะมันก็มันก็เริ่มเหมือนไฟพอจุดปั้มมันก็เริ่มขยายตัวขึ้นมาทันทีแล้วก็กลับไปเหมือนเดิมอยู่เพราะมันพอเจ็บครั้งนึ่งแล้วมันอยากจะได้ครั้งอั้นเลมีครั้งที่สองครั้งที่สา แ้ามันต้องแรงกว่าครั้งที่ครั้งแรกครั้งก่อนต้องเพิ่มกาลังเห็นแต่ถ้าเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นทุกข์ความอยากที่อยากจะเสดก็ทุกข์แล้วสิ่งที่เราอยากได้มาบรรเทาความทุกข์ก็ก็เป็นทุกข์อีกเหมือนกันเพราะมันเป็นของชั่วคราวแต่เห็นด้วยปัญญ า, านี้มันจะไม่กล้าเสกต่อไปคาถามต่อไปจากคุณะกา마าศ ปฏิบัติธรรมมาหลายปีเริ่มปล่อยวางและรู้สึกเฉยๆกับเรื่องที่มากระทบจิตได้ในบางครั้งครับแต่สามีของลูกเป็นคนขี้หึงหนักมากมีอะไรนิดหน่อยก็ชวนทะเลาะยอมรับว่าเบื่อหน่ายทางโลกมากแต่ลูกก็ไม่อยากให้ครอบครัวต้องแตกแยกกันและอยากปฏิบัติบูบบชาต่อขอคำชี้แนะจากพระอาจารย์เพื่อเป็นแนวทางด้วยครับความเบื่อหน่ายของเรามันเกิดจากความความอยากของเรา อยากให้สิ่งที่เราสัมผัสนี่ถูกใจเราพอไม่ถูกใจเรามันก็เลยทำให้เราเบื่อขึ้นมาแต่เราต้องยอมรับความจริงว่าสิ่งที่เราสัมผัสรับรู้นี่มันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้ดังนั้นเราต้องพยายามฝึกใจยอมรับกับความจริงที่มาปรากฏให้เรารับรู้เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศ ตอนนี้นนอากาศเริ่มร้อนแล้วเนี่ยเราไม่มีใครอยากจะเจออากาศร้อนกันแต่ก็ต้องเจ อ, อถ้าคนที่ยอมรับกับอากาศร้อนก็จะไม่ทุกข์กับมันคนที่ไม่ยอมรับกับอากาศร้อนก็จะเกิดอาการไม่สบายใจขึ้นมาได้ก็อยู่ที่การทำใจของเราให้รับกับเหตุการณ์ต่างๆกับสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสที่เรามาสัมผัสรับรู้ถ้าไม่ยอมรับก็ต้องใช้สติบรรยาพุทธโธพุทธโธไปเรื่อย แล้วพอใจเราสงบลงเบาลงความต่อต้านน้อยลงความรู้สึกเบื่อหน่ายก็จะน้อยลงไปและหายไปได้ต้องใช้สติใช้ปัญญาสองอย่างปัญญาก็คือว่าเราต้องเราต้องทำใจนะไม่ว่าจะอยู่กับใครอยู่กับเหตุการณ์กับคนหรือกับเหตุการณ์ต่างๆมันไม่ได้เป็นเป็นสิ่งที่มันจะถูกใจเราเสมอไปพอไปเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจเราเราก็จะเบื่อ แต่เราถ้ามีสติมีปัญญายอมรับมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ปรับใจทำใจให้อยู่กับมันไปใจก็จะไม่เบื่อใจก็จะรู้สึกเฉยๆได้คำถามต่อไปจากคุณสาธิตตอนนี้ลูกสาวผมอายุสิบห้าปีติดบุหรี่ไฟฟ้ามากเลยครับครั้งแรกจับได้และได้ว่ากล่าวตักเตือนไปแล้วครับลูกสาวรับปากว่าจะไม่เสพอีก แต่ครั้งนี้ก็จับได้ว่าเสพอีกตอนนี้ผมยังไม่รู้จะทําอย่างไรเลยครับขอพระอาจารย์ชี้แนะด้วยครับไม่รู้จะทําอะไรก็ปล่อยวางเมื่อเราทําอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรมของเขาถ้าเขาหยุดได้ก็เป็นบุญของเขาถ้าเขาหยุดไม่ได้ก็เป็นกรรมของเขาไปแต่เราก็อย่าไปสนับสนุนเขาก็แล้วกันอย่าให้เงินเขาไปใช้ในในทางที่ผิดให้เขาเอาไปใช้ในสิ่งที่จําเป็น แต่ถ้าเขาจะเอาเงินที่เราให้เขาไปใช้ในสิ่งที่ยังเป็นไปใช้กับยาเสพติดเราก็ห้ามเขาไม่ได้คําถามต่อไปจากคุณใบหยกสภาวะในใจของลูกตอนนี้คือเฉยๆเหตุเหตุผล อ, อเหตุนี้ผลจึงเกิดเดี๋ยวสักพักก็ผ่านและสักพักก็จะเป็นเรื่องราวใหม่สักพักเรื่องนั้นก็หายไปจึงเฉยๆเจ้าค่ะวางใจแบบนี้ ถือว่าถูกทางแล้วใช่ไหมครับเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็เฉยเพราะใจลูกไม่เจ็บครับถูกต้อ ง, งแต่ว่าเรายัางต้องดูต่อไปว่าเวลาเจอเหตุการณ์ใหญ่ๆเราจะเฉยได้หรือเปล่าถ้าเราเจอเหตุการณ์ธรรมดาธรรมดามันก็ จ, จะพอทําใจได้อยู่แต่พอไปเจอเหตุการณ์ที่มันรุนแรงหนักห น, กหนาสาหัสนี่ดูซิว่าใจเรายัางเฉยได้อยู่หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาช่วยให้มันเฉยให้ได้ คำถามต่อไปจากคุณชิดนุพงศ์อยากถามพระอาจารย์เรื่องจิตรวมของแต่ละคนเหมือนกันไหมครับกอจิตสงบนี่มันก็มีอยู่สองลักษณะมันสงบนิ่งแต่มันยังรับรูปเสียงกลิ่นรสได้อยู่แต่มันไม่มีอารมณ์กับรูปเสียงกลิ่นรสมันเป็นอูเบคามีความสุขในใจแล้วก็ไม่รู้สึกวุ่นวายไปกับรูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาให้สัมผัสรับรู้ อีกแบบหนึ่งก็คือหายไปหมดเลยเหลือแต่จิตล้วนๆหลือแต่สักแต่ว่ารู้อยู่ตามลำพังคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามใน YouTube ครับขอวิธีนั่งสมาธิให้ได้นานครับมันอนิจจังแป๊บๆก็คิดถึงโทรศัพท์แล้วครับก็เหมือนกับรถเนี่ยถ้าเราเติมน้ำมันน้อยมันก็วิ่งไปได้ไม่ไกลถ้าต้องการให้มันวิ่งไปไกลๆเราก็ต้องเติมน้ามันให้มากมาก น้ำมันของสมาธิก็คือสตินี่เองถ้าเรามีสติน้อยก็จิตก็จะสงบได้น้อยได้ไม่นานถ้ามสีสติมากมันก็จะสงบได้นานได้มากเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องการให้มันสงบได้มากได้นานเราก็ต้องเจริญสติบ่อยๆฝึกไปทั้งวันเลใ น, ในระหว่างวันนี้ไม่ไม่ให้ไม่ให้เผลอสติเลยให้อยู่กับพุโทโธก็ดีหรือให้อยู่กับการเข้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกาย ก, ก็ดีไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจลอยไปกับความคิดต่างๆ แล้วเดี๋ยวการนั่งสมาธิมันก็จะสงบได้ถามเองเลยัหมพูดเองเลยหัหยครับจากผู้รับฟังหน้ากุติครับแฟนเป็นชาวต่างชาติชอบในเรื่องการฝึกสมาธิแล้วรู้สึกถึงความมีฤทธิ์การมองเห็นผู้อื่นและชอบทักแต่เขาบอกว่ากำลังช่วยผู้อื่นจะแนะนำมาในทางที่ถูกต้องอย่างไรดีครับคือ คนเราบางทีรู้อะไรบางทีมันก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นได้หรือเป็นโทษกับคนอื่นได้เราก็ต้องดูผลกระทบที่จะตามมาถ้าเราพูดไปแล้วมันส่งมันเกิดประโยชน์ก็พูดไปได้ถ้ามันเกิดโทษก็อย่าไปพูดนี่ถ้าเราไม่แน่ใจเราก็ต้องก็ต้องอย่าไปพูดจะดีกว่าเพราะบางครั้งบางคราวการไม่รู้อะไรมันจะดีกว่าการไปรู้อะไรพอรู้แล้วมันอาจจะทําให้ใจนี้วุ่นวายขึ้นมาก็ได้ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะไปยุ่งกับคนอื่นจะดีกว่าให้รู้เฉยๆไว้แล้วก็ปล่อยวางแต่คิดว่าถ้าช่วยเขาได้พูดไปแล้วทำให้เขาดีขึ้นก็ช่วยไปพูดไปแต่ถ้าพูดไปแล้วอัจจะทำให้เกิดความเสียหายหตามมาก็อย่าไปพูดดีกว่า ก็ไม่ใช่ของง่ายที่จะเข้าใจมันเป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาแล้วก็ปฏิบัติขั้นต้นต้องมีศรัทธาก่อนพอมีศรัทธาเชื่อในการปฏิบัติแนวทางของพระพุทธเจ้าว่าเป็นแนวทางที่ดีที่จะทําให้ใจเรามีความสุขการปฏิบัตินี้ไม่ได้ต้องการที่ให้เรามีฤทธิ์มีปฏิหารอะไรเพราะมันไม่ได้สามารถมาทําให้ใจเราดับความทุกข์ได้ เราต้องการบริบัติสมาธิแบบที่มันนิ่งสงบแล้วดับความทุกข์ใจของเราได้นั้นก็แล้วแต่เขาถ้าเขาสนใจเขาก็ต้องศึกษาในอินเทอร์เน็ตก็มีข้อมูลต่างๆที่เขาสามารถค้นคว้าหาได้แต่ถ้าเขาพอใจกับสมาธิที่เขามีอยู่แบบนี้ก็กก็ก็เป็นเรื่องของเขาเราบางทีก็ไ ป, ไปสอนไปบอกไปสั่งเขาไม่ได้ ถ้าก็ไม่มาถามก็ก็ต้องปล่อยให้เป็นไบตาอธัธยาศัยของเขาครับคำถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามการที่เราไม่พูดความจริงจากความรู้สึกพูดเบี่ยงเบนประเด็นเบี่ยเบนประเด็นแล้วคำพูดนั้นทำร้ายใจคนฟังแบบนี้ตราบตามสินข้อสี่หรือแค่อกุศลกรรมครับ คือถ้าพูดไม่ตรงกับความเป็นจริงมันก็พูดปดนะพูดปลดมันก็มันก็ผิดสินข้อสี่ถ้าเราพูดความจริงไม่ได้ก็อย่าพูดเฉยๆไปหรือพูดเรื่องอื่นไปก็ได้พูดเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องอะไรไปคําถามต่อไปจากคุณมานะตอนที่เราใส่บาตรหรือทําบุญจะแบ่งให้กับผู้ที่ร่วงลับไปแล้วต้องท่องนโมสามจบแล้วท่องบทกรวดน้ําย่อ หรือแบ่งบุญได้เลยไม่ต้องท่องครับไม่ต้องท่องก็ได้แล้วอธิษฐานไปในใจขอแบ่งบุญนี้ให้กับคนนั้นคนนี้ที่ด้งรับไปแล้วถ้าท่านรอรับอยู่ก็ขอเอามารับไปได้เลยคำถามจากคุณสุกัญญาถ้าเราอยู่กับคนรักอย่างเพื่อนที่พึ่งพาอาศัยกันและกันยามที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ก็ปฏิบัติธรรมกันทั้งคู่อันนี้ถือว่าดีกว่าการที่เราอยู่คนเดียวไหมครับ คือเวลาปฏิบัติจริงๆก็ต้องอยู่ตามลำพังถึงจะดีกว่าเพราะถ้าอยู่ด้วยกันมันอาจจะมาภาวะโวนมากังวลมาห่วงใ ย, ยกันแต่ถ้าเราปฏิบัติสำเร็จแล้วจะอยู่คนเดียวก็ได้อยู่กับคนอื่นก็ได้ถ้อยู่กับคนอื่อนเ ว, เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยทางร่างกายก็ อ, อาจจะมีคนมาช่วยดูแลเราคำถามจากคุณจิรารัต วันก่อนฟังหลวงพ่อเทศเรื่องให้สันโดษในสถานการณ์ที่มีเพื่อนที่ไม่จริงใจไม่ดีกับเราเหมือนที่เราดีกับเขาได้ผมดีกว่าที่ต้องคิดเนตตาและให้อภัยครับสรุปว่าบางทีก็ต้องพลิกแพลงการใช้ปัญญาใช่ไหมครับใช่ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เ, เพราะว่าสถานการณ์แต่ละอันไม่เหมือนกันอีกคาถามหนึ่งครับจากคนกับตัน มีที่ที่อยู่ข้างเคียงของเราขอทางผ่านเพราะที่ดินเขาตาบอดติดกับที่เราเราเลยบริจาคทางเข้าออกให้ที่ดินตาบอดแต่ปัจจุบันเจ้าของที่ดินตาบอดไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์ใดๆเลยเราจึงเรายังจะได้บุญจากการบริจาคไหมครับได้การให้ของเรานี้เป็นบุญอยู่แล้วส่วนคนรับจะไปทําอะไรนี่ไม่ไม่เกี่ยวกับเราแล้วได้เราได้บุญได้บุญจากการเสียสละ ยกให้ของของที่เราลากไปให้กับเขาถวยคนรักไปแล้วก็จะไปทําประโยชน์อย่างไรหรือไม่ก็ไม่ไ ม, ไม่เกี่ยวกับเราแล้วหม <ทำ S 1> แล้วหมดแล้วครับโอเคเวลาก็พอสมควรก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิด